ข้อความในปกิณกะพุทธวงเนี่ยนะข้อ27หน้า736ถ้าถอยหลังนับจากกลับนี้ไปเนี่ยนะจำนวนกลับที่นับไม่ได้ที่เราเรียกว่าอาสงไข่เนี่ยหรือว่าพอแล้วเลิกแล้วเลิกนับแล้วคำว่าอาสงไขยแปลว่าเลิกนับหรือไม่นับตีกต่อไป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 ตั้งแต่พระพุทธเจ้าโกนธัญญะถึงพระพุทธเจ้ามังคละนั้นห่างกันเป็นอสมัยพระมุนีสุมังคลาสุมาณะเรวตโสพิตะทั้งสี่องค์นั้นผู้มีจักสุทาแสงสว่างแม้เหล่านั้นก็เกิดขึ้นในกลับเดียวกันก็ถือว่าเป็นกลับที่เจริญรุ่งเรืองมากมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสี่องค์คือพระพุทธเจ้าสุมังคลาสุมณเรวตตและโสพิตะ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 ปทุมะและนารทะพระมุนีพุทธเจ้าผู้ทำที่สุดแห่งความมืดแม้เหล่านั้นก็ได้มีในกลับเดียวกันคือในกลับนั้นะนะเมื่อหนึ่งอสงไขยที่แล้วถอยจากนี้ไปมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสพระองค์สองพระองค์นะปทุมะกับนารทะต่อจากสมัยของพระนารทะพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าผู้นำพระนามว่าปทุมุตระทรงอุบัติในกลับหนึ่ง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 ในกับที่แสนเนี่ยนะถอยจากกับนี้ไปมีพระมหามุนีพระองค์หนึ่งพระนามว่าปทุมมุตระผู้รู้แจ้งโลกผู้ควรของต้อนรับของบูชาในสมื่นกับต่อจากพระประทุมมุตระพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าสององค์คือพระพุทธเจ้าสุเมทะและพระพุทธเจ้าสุชาติใน 1,800 งพันกับก็มีพระพุทธเจ้าสามพระองค์เกิดขึ้น คือพระปิยทัศนีอัฏฐทัศีและธรรมทัศีต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะพระพุทธเจ้าสามพระองค์ผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองคร้าไม่มีบุคคลใดเปรียบเทียบในโลกเสด็จอุบัติขึ้นในกลับเดียวกันต่อจากกลับนี้ไปเนี่ยนะในกลับที่94มีพระมหามุนีพระองค์เดียวพระนามว่าเศรธฐาผู้รู้แจ้งโลก ผู้ยอดเยี่ยมโดยบุญและลักษณะเนี่ยนะบุญยลักษณ์ก็คือหมายว่าลักษณะแต่ละส่วนของพระองค์นั้นบุญบารมีที่พระองค์สร้างมาตบแต่งต่อจากกับที่92นับแต่กลับนี้มีพระผู้นำสองพระองค์คือพระสัมพุทธเจ้าติดสะและพระปุทสะผู้ไม่มีผู้เสมอไม่มีบุคคลเปรียบ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 กับนี้เนี่ยนะกับเราทุกวันนี่ก็มีพระพุทธเจ้าผู้นำสามพระองค์เกิดขึ้นแล้วคือพระพุทธเจ้ากัปุสันธะโกนาคมณะและพระกัสสปะจวบจนถึงพระพุทธเจ้าของเราผู้เป็นสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันอนาคตต่อไปก็คือพระเมตไตรเนี่ยนะพระเสียยะเมตไตรพระพุทธเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นในกลับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นห้าพระองค์เป็นปราฏผู้กรุณาต่อโลกผู้หวังปลดเปลื่องโลกให้พ้นจากทุก บรรดาผู้พระผู้เป็นธรรมราชาเหล่านั้นพระโคตมะพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสาวกบอกทางนั้นคือบอกอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แก่เหล่าสัตว์อื่นหลายกฎแล้วก็ปรินิพานไปแล้วแหลก็คือพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์นั้นปรินิพานไปแล้วเนี่ยะเสสงไขยแสนกลับเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น28พระองค์พระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็อันตรธานไปจากโลกแล้ว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 ส่วนถอยหลังไปเมื่อ31กัปเนี่ยนะจากกัปนี้ถอยหลังไปมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น2องค์พระพุทธเจ้าสี่ขีและเวสภูถ้าถอยหลังไปอีก91กัปมีพระพุทธเจ้าพระนาม ว, ว่าวปัสสีเกิดขึ้นถ้าถอยหลังไป92กัปมีพระพุทธเจ้าติดสะและปุตสระถ้าถอยหลังไป94กัปมีพระพุทธเจ้าสิท ธ, ธะเกิดขึ้นถ้าถอยหลังไปประมาณ 1,800 กัป นึ่งพันแกับมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสมองค์พระปิยทัศนีอัฏฐทัศนีและธรรมทัศนีถ้าถอยหลังไปส0 0หมื่นกับมีพระพุทธเจ้าเกิดสององค์คือพระสุเมธะและสุชาตะถ้าถอยหลังไปแสนกับมีพระพุทธเจ้าพระนามวาปทุมุตระเกิดขึ้นถ้าถอยหลังไปอ่ะนะถ้าถอยหลังไปเท่าไหร่เกิดสมัยที่พระพุทธเจ้าปฐุมะกับนารทะเนี่ยนะ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 มีพระพุทธเจ้าตันหังกรมีทางกรสารนางกรและทีปังกรนี่ยนะระยะเวลานื่นานานมากเนี่ยนะแต่ว่าจากการศึกษาพุทธวงศ์เนี่ยนะทำให้เรารู้เหตุการณ์ในอดีตบ้างว่าในอดีตเมื่ อ, อสี่สงไข่ที่แล้วอสองไข่เสียสงไข่แสนกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองค์ถ้าหากว่าเมื่ อ, อสามสงไข่แสนกับที่แล้วมีองค์เดียวเมื่อสองสงไข่แสนกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองค์ เมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสมองค์เมื่อแสนกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระองค์เดียวเมื่อสามหมื่นกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสองพระองค์เมื่อหนึ่งพันแปดรอยกัปที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสมพระองค์เมื่อเก้าสิบสี่กัปที่แล้วมีพระองค์เดียวเมื่อเก้าสิบสองกัปที่แล้วมีสองพระองค์เมื่อเก้าสิบเอ็ดกัปที่แล้วมีพระองค์เดียวเมื่อสามสิบเอดกัปที่แล้วมี สององกับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นรวมทั้งหมดห้าพระองค์ผ่านไปสามเหลือหนึ่งเนี่ยนะของเราก็มาปลายปลายองค์ที่สี่เนี่ยนะรุ่นปลายฝนเนี่ยนะเหลือแต่น้ำหมอกน้ำค้างไม่มากนะักฟังธรรมปัจจุบันนี้ก็คล้ายว่าฟังจากน้ำหมอกน้ำค้างอะนะไม่ใช่ฝนแท้เหมือนกันนะนาบุตามสมควรแก่ บ, บุญน่ยนะจะไปโทษใครก็ทำบุญมาเท่าใดมันก็ได้รับเท่านั้นละมัง้ง ไปโทษดินฟ้าอากาศโทษฝนฟ้าโทษนะก็ดีกว่าไม่ได้ฟังนะมีน้ำค้างเรียกว่าอะไรนะพอชุ่มลิ้นบ้างดีกว่าคอแห้งผากไม่มีอะไรเลยนะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับแบ่งพระธาตุเนี่ยนะก็จะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งนี้ก็มาดูเกี่ยวกับปกินกะตามอัต ก, กราก่อนปกินกะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเรียกวเวมตะ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 พระพุทธเจ้าเหล่านี้มีพระชนมายุประมาณในยุคมนุษย์เกิดแสนปีแตอ่อายุจริงๆของพระองค์ก็แปดหมื่นปีแต่ว่าพระองค์เกิดในยุคมนุษย์อายุแสนปีพระพุทธเจ้าเจดพระองค์คือพระพุทธเจ้ามังคลาสุมาณโสพิตะนารทาสุเมธาสุชาตะปิยาทัศสีปุตสะพระองค์เหล่านี้มีพระชนมายุเก้าหม่นปีอายุจริงก็ประมาณ7 2็0 0มนปี ส่วนพระพุทธเจ้าสององค์ก็คือเรวตะและเวสภูมีพระชนมายุทั้งหมดห0 0 0ื่นปีนะก็สี่หมื่นก็ถอยหลังโดยลําดับนะส่วนพระพุทธเจ้าวิปัสสีมีพระชนมายุ 80,000 ปีพระพุทธเจ้าพระองค์เหล่านี้คือสิกขีกัคกุสันทะโกนาคัมมนกัสปะสิกขีเจ0 0 0มปีกัคกุสันทะสี 40, ่0มื่ปีโกนามมะนะสา0 0มื่น 20, ปีกัสปะสอง0 0ื่ปี ส่วนพระพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยน้อยอเกิดในยุคร้อยปีเนี่ยนะของเราแหมถ้าเกิดในยุคร้อยปีก็ดีใจปัญหาไม่ถึงเอง ก, กันสิเนี่ยน ะ, ะประมาณอายุเนี่ยนะเรียกว่าอายุไม่มีประมาณอายุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือคือความแตกต่างกันเนี่ยเนื่องจากว่ากรรมที่ทําให้อายุยืนอายุสั้นเนี่ยแตกต่างกันอันนี้เรียกว่าความแตกต่างแห่ง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 แตกต่างกันก็คือบางพระองค์นี่สูงบางพระองค์ต่ำจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทีปังกรเรวตตปิยาทาัศรีอัตถศรีธรรมทัศีปิยาทาัศรีมีสรีระสูง82ศอกพระพุทธเจ้าโกนธัญญะมังคละนารทสุเมทะะวรากายสูง88ศอกแหมพวกเราเกิดในสมัยคนแคล่เลยนึกไม่ออกนอะนะเรนะาก็ น, นึกว่าอือเห็นไหม แต่พวกยงบอกโอ้โหทาไมคนเนี่ยสูงจังเลยนะมด ม, นมดมันเวลามดเนี่ยมันเงยขึ้นบูงมองดูมนุษย์อ่ะนะโอ้ยทําไมมนุษย์เนี่ยตัวสูงอย่างไต่ตั้งนานแล้วยังไม่ถึงไหนเลยเงี้ยนะมดอาจจะคิดอย่างนี้บ้างนะพวกเรามันก็ตัวน้อยๆเนี่ยก็มันโอ๊โพระพุทธเจ้าทําไมสูงแท้เนี่ยนะก็มันคนแคะะ่สมัยถ้าไปเกิดในยุคสมัยนั้นเนี่ยเท่าไหเพราะว่าเขาว่าพวกเราพวก พ, วกพิการแน่นอนเลยนะมันขาดสารอาหารอะไรเนาะทำไมมันต่ำจังเลยอย่างเงี้ยนะถ้าไปเกิดในยุคนั้นเนี่ยกลุ่มพิการอ่ะนะ อายุมากมากและดูชราก็เรียกอะไรก็คิดเอากันแล้วกันนี่ต่อไปในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมาณะนั้นพระองค์สูง9 0ศอกพระพุทธเจ้าโสพิตะอนมะทะัศสีปธุมะปทุมมุตระปุษมีสรีระสูง58ศอกพระสุชาตะพระองค์มีสรีระสูง50ศอกพระพุทธเจ้าสิทธัตถะติสสะเวสภูมีพระวรกายสูง60ศอก พระสิขีพุทธเจ้ามีศรีระสูงเจศอกพระพุทธเจ้ากัคุสันทโกูนาคัมนะกัสปะกกคุสันทก็สี่สิบองกูนาคัมมะนะสาสบกัสปะก็ยี่อกพระพุทธเจ้าของเราก็ยุกสิบแปดศอกนะคือจริงๆแล้วพระองค์ก็สูงกว่าคนปกติพระองค์จะเด่นเด่กกว่าคนปกติเยอะเลยแม้แต่ในสมัยเดียวกันนะสมัยพุทธกาลนะส่วนตระกูลตระกูลนี้ก็แตกต่างกัน ว่าพระพุทธเจ้าบางพระองค์ก็เกิดในตระกูลกษัตริย์บางพระองค์ก็เกิดในตระกูลพราหม์ก็คือบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าสมัยใดเขานับถือพราหมมากพระพุทธเจ้าก็จะเกิดในตระกูลพราหม์พระพุทธเจ้าสามองค์ที่ผ่านมาเกิดในตระกูลพราหม์ก็คือในกลับนี้นะกลับนี้สมองค์ก่อนนี้เกิดในตระกูลพราหมณ์คือพระพุทธเจ้ากะปุสันทะโกนาคมณะและกัสปะส่วนพระพุทธเจ้าอีก22พระองค์ที่เหลือเกิดในตระกูลกษัตริย์ทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าของเรา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 ความแตกต่างแห่งการตั้งความเพียรรวบรวมโพธิปัขจะธรรมก็คือพระพุทธเจ้าทีปังกรโกรนธัญสมาณะอนุมัตสีสุชาตสิทธะกัปปุสันทะปอง์บำเพ็ญเพียร10เดือนใช้เวลา10เดือนรวบรวมโพธิปัขจะธรรมของเราในทางหมายถ้าทําถูกนะฮะคูณสิก็ยอมเหมือนกันนะส่วนพระพุทธเจ้ามังคละโสมเ თ ติษะและสิขีนั้นบำเพ็ญเพียรอยู่8เดือน พระพุทธเจ้าเรวัตะ7เดือนโสมพิตะสเดือนปทุมะกับอัฏฐทัศนีและวิปัสสีครึ่งเดือนส่วนพระพุทธเจ้านารทะปทุมมุตระธรรมทัศนีและพระพุทธเจ้ากัสสปะอรู้สบายมาก7วันนะสบายกว่เพื่อนเลยนะเวันเนี่ยนะมีอยู่สองค์ด้วยกันส่วน6เดือนนะ่ะหเดือนก็คือมีอยู่คือ4องค์อ่ะนะปิยะทัศนีปุตสะเวสภูโกลนานะคมณะหเดือนพอมาถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยโหเพิ่มบวก คูณสหมดเลยนะพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญเพียรอยู่หปีนานมากเลยนะอันนี้เรียกว่าความแตกต่างกันของการรวบรวมโพธิปัฏฐิธรรมประธานาเวมะตาประธานก็คือเพียรในการเจริญกุศลเพียรในการละกุศลรวบรวมพุทธกัลกิธรรมเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าส่วนรัศมีเนี่ยนะความแตกต่างแห่งพระฉับพันระรังสีรังสีหประการที่แผ่สร้างจากภวรกาย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 ส่วนพระพุทธเจ้าของเราก็วานหนึ่งโดยรอบส่วนพระพุทธเจ้านอกนั้นไม่แน่นอนแล้วแต่จังหวะวั้นแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่การและสมัยว่าสมัยไหนควรจะรัศมีไกลหรือใกล้นั่นเองก็คือแล้วแต่ว่าสัตว์จะสำเร็จประโยชน์เพราะการแผ่ฉับพันและรังสีของพระองค์หรือไม่นะจะได้รับประโยชน์คือบรรลุมรคผลหรือไม่ไม่ใช่ว่าแม้อยากไปเที่ยวที่ไหนก็แปล่งแสงไปเรื่อยนั่นนะไม่ใช่ลักษณะ น, นั้นนนะ ส่วนญานเะวมตะตาเรียกว่ายานทีท่พระองค์ออกบวชนะพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ออกบวช ด, ด้วยยานช้างบางองค์ก็ยานมา้าบางองค์ก็ยานรถบางองค์ก็เดิน น, นะบางองค์พระองค์ก็เดินไปบางพระองค์ก็ปราศาทเนี่ยนั่งอยู่บนปราสาทปราสาส์เคลื่อนไปเองบางองค์ก็ไปด้วยวอเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าทีปังกรสุมาณสุเมธ า, มาปุษกิและโกนาคมณะเนี่ยนะพระองค์ด้วยไปด้วยยานช้าง พระโกณทัญญะเรวตะปทุมะติยะทัศสีวิปัสสีและพระกกุสันธาไปด้วยยานคือรถพระมังคลาสุชาตะอัทศสีติดสัพะโคตมะของเรานี้ไปด้วยยานมาอโนมาทัศสิทธะถเวสภูไปด้วยวอทนะทนารทะไปด้วยพระบาทคือเดินไปพระโสดพิตะปทุมมุตระธรรมทศสีและพระกัสสปะไปด้วยปราศาสเนี่ยนะ เรียกว่าเข้าชาญออกจากชาญน้อมไปบวชก็ประสาทเอะพาไปเลยเนี่ยนะนะมีบุญมากแต่ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี่มีบุญเนี่ยนะนะแต่บางท่านก็ไปด้วยเครื่องบินน่ยนะแต่ว่าก็กลับมานะไปยังไงก็กลับมาอย่างนั้นก่อนกลับมาเรียนพระต่ายบิดกตองนะนั่งเนาะนั่งเครื่องบินไปบวชทาถ้าจะดีแล้วเกือบดีเลยนะเกือบดีกับเกือบตกเอาไหนเอาเกือบตกดีกว่านะ ส่วนต้นไม้ที่ตรัสรู้เนี่ยนะต้นไม้เป็นที่ประฏิสถานที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะแตกต่างกันนะที่ประทับนั่งนะสถานที่ตำแหน่งอาจจะที่เดียวกันแต่ว่าต้นไม้ที่ประทับนั่งตรัสรู้แตกต่างกันก็คือพระพุทธเจ้าทีปังกรมีโพเพิกต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นกปิตนะคือต้นมะขิดพระพุทธเจ้าโกนธัญญะต้นสาละกลยานีหรือที่เรียกว่าขานางนะ ส่วนพระพุทธเจ้ามังคลาสุมาณเรวตโสพิตามีต้นไม้ชื่อว่า ator, ต้นนาคะคือต้นกากระทิงพระพุทธเจ้าอโนมทศีต้นอัชชุะนะหรือต้นกลุ่มพระพุทธเจ้าปทุมะและนารทะมีต้นโพเพิก Ps, ชื่อว่ามหาโซนะหรืออ้อยช้างพระพุทธเจ้าปทุมมุตระมีต้นไม้ชื่อว่าสาระหรือสาละพระพุทธเจ้าสุเมทะมีต้นไม้ชื่อว่านีปะหรือกระทุม่มพระพุทธเจ้าสุชาตานี่ต้นไผ่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 พระพุทธเจ้าสิกขีต้นกลุ่มบกเวสภูนะนะต้นสาร ะ, ะปุนดริกะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสิกขีเนี่ยหมายถึงมะม่วงน ะ, ะปุนดริกะหมายถึงมะม่วงอาจจกถาที่บายเป็นมะม่วงหมดเลยนะส่วนพระพุทธเจ้าเวสภูนั้นต้นสาระกระกุสันทะต้นศึกโกนาคมะณะต้นอุทุมพรหรือต้นมะเดือ่อพระพุทธเจ้ากษัตริยต้นไทรพระพุทธเจ้าของเราก็คือต้นโพใบ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 26สหกอกกูนาคมนะยี่สบอกพระกัสสปะ15บห้าอกพระพุทธเจ้าของเราส4บสี่อกแต่ตอนนี้เขาไปปูไว้เท่าไหร่รู้ไม้มกว้างประมาณสักเม็ดยาวสักสองเม็ดได้เขาทำแท่นให้ดูนะทำแท่นโชว์อ่ะที่ก็้าปูดาวเรืองโชว์ตรงนั้นอ่ะนะกว้างสักเม็ดหนึ่งยาวสองเม็ดแท่นแท่นที่ที่เราไปดูตอนนี้นะ ส่วนสถานที่สี่แห่งที่พระพุทธเจ้าไม่ละเลยเนี่ยหมายว่าพระพุทธเจ้าทุกองเนี่ยจะต้องมาใช้สถานที่4ี่แห่งนี้เหมือนกันก็คือหนึ่งโพธิบัลลังก์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ละเนี่ยนะหมายว่าในกัปใดตรงไหนเป็นที่โพจุดใดเป็นจุดโพธิบัลลังก์พระพุทธเจ้าองค์หลังๆก็มาตรัสรูณจุดนั้นเป็นสถานที่แห่งเดียวกันนะอย่างเช่นเน้นเนนในกัปนี้นะพระพุทธเจ้ากากุสันทะโกนาขมานากัสปะ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 หรือไม่ไปสวดไว้่พระองค์ก็ได้ น, น, สนะสวดเท่าไหร่ก็ได้เออพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาที่สุดไม่ได้นะส่วนสถานที่ประกาศพระธรรมาจากก็เหมือนกนสถานที่เดียวกันก็คือณป่าอิศิป ต, ตนะมฤตทยาวันส่วนสถานที่พระองค์ไม่ทรงละก็คือสถานที่เหยียบพระบาทครั้งแรกก็คือใกล้ประตูสังกัดสานครที่พระองค์เสด็จลงจาก เทวโลกเนี่ยนะจากดาววดึงส่วนไม่ทรงละอีกที่หนึ่งก็คือที่ขาเตียงนะขาเตียงสี่แห่งณนะบริเวณพระคันธกุตีณนะเฉตวันแล้วแต่ว่าวิหารใหญ่หรือวิหารเล็กนะแต่ว่าเตียงนี่ก็จะขาเตียงก็จะอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละแม้แต่พระวิหารก็ไม่ละวิหารไม่ละแต่ว่านครเ น, นี่ยละ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 นี้เกี่ยวกับเรื่องใครขออภัยเรื่องสหาชาติก่อนนะสหาชาติอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีผู้ที่เกิดพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่เกิดคันเดียวกันนะหมายความว่าเกิดเวลาเดียวกันมีอยู่เจ็ดท่านด้วยกันคือ1พระมารดาพระราหุลก็เกิดพร้อม 2. พระอานนท์สพระฉันนะสี่พระยา ม, มาคันตกะหม่อขุมทรัพย์6โพธิบาลมเจ็ดพระตาลุทายีถ้ารวมกันทั้งหมดก็เป็น8ปดะนะแทั้งหมดนะนะแต่ว่านับ เขาเรียกว่าถ้านนับบอกสหาชาติของพระพุทธเจ้าก็แปลว่าอย่านับพระพุทธเจ้าน่ น, นะบอกมีเพื่อนอยู่เจ็ดคนถ้ารวมกับตัวเองก็ต้องเป็น8สินะแต่บอกว่ามีเพื่อนอยู่เจ็ดนี่ก็ลักษณะเดียวกัน